พุทธศาสนาเป็นยอดแห่งเครื่องมือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เต็มภูมิให้เป็นพระเต็มภมูิไม่มีเครื่องมือใดคือโอวาทใดที่จะยิ่งไปกว่าศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า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 เหตุผลหลักเกณฑ์ของธรรมเพื่อเข้ามาชำระสาสารสิ่งที่โสกโปกโส่หมุนอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นแสดงออกเป็นความขัดแยง้งเป็นการลบล้างเป็นฆ่าศึกต่อศาสนธรรมอันดีงามตลอดมานี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิ่ง ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของเราผู้เป็นนักบวชซึ่งจะชำระสะสารลึกถอดถอนจริงเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเต็มใจความรู้ใดความเห็นใดก็ตามถ้าลงได้ขัดแย้งต่อสาสนธรรมแล้วความรู้นั้นความเห็นนั้นคือความรู้ความเห็นเพื่อทำลายตนเองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกนังอาจจะ ภูมิใจในความรู้ของตนนั้นอีกด้วยทั้งๆ ท, ที่ความรู้นั้นเป็นภัยต่อตนเองเช่นเดียวกับขุยไม้ไผ่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่กอไผ่กอใดลำใดย่อมจะทำลายกอไผ่กอนั้นหรือลํานั้นให้พินาศจีบหายลุ่มไปโดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความรู้ขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วฆ่าตัวเอง หรือฆ่าแม่ของตนด้วยเหตุนี้ทำจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะเข้าใจได้อย่างธรรมดาโลกโลกทั่วไปจึงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์รามันด้วยกันจะพิสูจน์ได้แต่หลักธรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่านั้น เราอยากทราบหลักความจริงแห่งความละเอียดอ่อนของธรรมและความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนแหลมคมของเขาได้แก่ข้าสึกคือกิเลสนั้นเราปฏิบัติก็จะทราบไปโดยลำดับนะคำว่าปฏิบัตินี้หมายถึงจิจตะภาวนาการปฏิบัติตามพระวินัยนั้นเป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ถึงยังไม่เข้าถึงความเลียดอ่อนของธรรมและของเจเรตอย่างแท้จริงได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมอีกขั้นหน่ศีลนั้นเป็นธรรมขั้นหยาบท่าในให้ชื่อวัดศีลความจริงก็คือธรรมขั้นยากเพื่อรักษากายวาจาที่แสดงออกอาจเป็นความเสียหายทําลายตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้มากมายนั้น ได้จึงต้องให้ะมัดระวังรักษาประเภททำประเภทนี้ให้ชื่อว่าเป็นศีลความจริงก็คือทำนั่นแหละเหมือนกับรั้วของบ้านศีลเหมือนรั้วบ้านทำเหมือนกับสมบัติอยู่ในบ้านมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรเราเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือที่ดีทีุ่ดในบ้านของเราศีลเป็นรั้วํำหลับกัน้น เหตุแดือหรืออันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาศีลเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นฆาตศึกทั้งหลายเข้ามาย่ำยีทมอันเป็นส่วนละเอียดซึ่งกำลังจะงอกงามขึ้นภายในจิตด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาของเรานี่เป็นหลักใหญ่ฉะนั้นขอทุกท่านพึงสำเหนียกในตนเสมอพยายามทำจิต ให้จุดจอต่อธรรมของพระโพธิจ้ายาได้ฝ่าผืนยาได้เห็นความรู้ความเห็นของตนนั่นว่าเป็นของดียิ่งกว่าธรรมเพราะความรู้ประเภทนั้นนั้นส่วนมากเจือด้วยยาพิษมาแล้วด้วยดีเราไม่อาจจะทราบได้เพราะ ภ, ภูมิความรู้ของเราไม่สามารถที่จะยังทราบยาพิษประเภทนั้นนั้นดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นแบบ กิเลสกิเลสด้วนแล้วตั้งแต่เป็นข่้สุดแห่งใจทั้งหมดธรรมจึงเป็นเครื่องการกรองสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างดีเยี่ยมคือธรรมฝ่ายเหตุเครื่องดำเนินซักฟอกถอดถอนด้วยความอุตส่าหพยายามด้วยสติด้วยปัญญาเป็นของสำคัญการจะแก้กิเลสทุกประเภท สติกับปัญญาเป็นสาคัญอย่างยิ่งความเพียรความอดความทนความบากบัน่นทั้งหลายเป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรด้วยความมีสติเพียรด้วยความมีปัญญาอุตสาห์พยายามผิดสติผิดปัญญาให้สือ่อต่อกันอยู่เรื่อยเมื่อมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้ทําความพยายามทําความอดทน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 บรรจุพร้อมมาแล้วกับกิเลสตัวสำคัญสำคัญถึงแทรกสินอยู่อย่างสนิทติดจงเราไม่อาจจะทราบได้ถ้าไม่ทราบได้ด้วยแง่แห่งกิจตภาวนาการทดสอบพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบาเพ็ญมาได้บาเพ็ญมาแล้วอย่างนี้ พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรเต็มที่เต็มฐานถึงชีวิตจิตใจจะล่วงลับดับไปในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรพระองค์ก็ยอมเสียสละไม่เสียดายแม้แต่นิดหนี่ยนอกจากที่จะเทดิดทูนทำที่พระองค์ทรงมุ่งหวังนั้นและให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้นเท่านั้น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 และไม่พ้นพระสติปัญญาไปได้เลยสามารถรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งที่มืดดำทั้งหลายหุ้มห่อภายในพระไทยของปูให้แตกกระจายขยายความรู้อันลึกซึ้งกว้างขวางแผ่กระจายไปเป็นความสว่างกระจายแป้งด้วยพระสติปัญญาหรือปัญญายานกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา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 ด้วยทางสติปัญญาจัตตาความเปลี่ยนไม่ลดละแล้วกิเลสแม้จะหนายิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็ตามยาวาาเพียงภูเขาทั้งลูกเลยจะไม่พ้นสติปัญญาอันแหลมคมนี้ไปได้เลยจะต้องแต่กระจายเบิบทางไปได้โดยลําดับลําดับเห็นช่องเห็นทางไปได้โดยลําดับในขณะเดียวกันก็เห็นกลมายาของกิเลสซึ่งเคยแทรกอยู่ภายในจิตใจ ไปได้โดยลำดับลาดับโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเพียรจึงต้องขึ้นอยู่กับสติและปัญญาเป็นสำคัญกว่าอื่นวิเลศ จ, จะขาดไปแต่ละตัวและตัวแต่ละประเภทประเภทนั้นขาดด้วยมากของสติกับปัญญาเป็นสำคัญอิตแนส <c oughs> เป็นสมาธิได้ในขั้นเริ่มแรกก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องควบคุมกับ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 ให้เห็นชัดเห็นจริงตามสิ่งนั้นๆที่เป็นความจริงอยู่แล้วดังตามดังความดังเดิมของเขาเป็นแต่เพียงกิเลสมันเสียขันตั้นยอเอาเท่านั้นเป็นเครื่องแข่งธทำอยู่เสมอเราหากไม่มีโอกาสทราบได้ดังที่เคยอธิบายมาอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่ากิเลสแหลมคมมากเราอยากจะทราบความแหลมคมของกิเลสและอยากจะทราบความแหลมคมของ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 ด้วยความอดทนโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตอยู่เสมอจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบจนได้วันและเวในวันและเวลาหนึ่งนี่ลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เรายากคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดนอกจากอยู่ในวงของสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรค หรืออยู่ในวงแห่งสติปัฏฐานสี่รวมความลงแล้วก็คืออยู่ในเล่าวางแห่งขันกับจิตนี่แหละสุดท้ายก็อยู่ที่จิตน่ะลงก็้าลงเข้ า, ขาตรงนั้นขยับเข้าไปขยับเข้าไปลงสู่ที่จิตทั้งหมดจิตเวลานี้บรรจุสิ่งโสกโปกโสมมไม่เต็มที่จึงมองไม่เห็นเหตุเห็นผลมองไม่เห็นหลักความจริง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 เป็นเจ้าเรื่องเป็นเจ้ายุแหย่ก่อกวนเป็นตัวทําลายอยู่ในตัวของกิเลสนั้นทั้งมวลมีมากมีน้อยทั้งโคตรทั้งแทะลูกเต้าเหล่ากอของกิเลสทั้งมวลเรียนหรือดําเนินมาแบบเดียวกันคื อ, อยุแหย่ก่อกวนทําทลายจิตใจของสัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเขาไม่มีงานอื่นเป็นที่ทําถ้าจะเรียกว่างานเหมือนคนเราทำมา เขามีหน้าที่อย่างนั้นเป็นความจริงประจำตัวของเขาจึงเรียกว่าสมุทัยอริยสัจจงสมุทัยเป็นของจริงเขาจริงมาอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาที่จะเข้าพิสูจน์กดขี่บังคับต้านทานหรือต่อสู้ด้วยวิธีใดก็าตามกับสิ่งเหล่านี้ให้จิตได้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 ต่อสู้กับยิเลสให้ถืออริยสัจทั้งสี่เป็นสนามรบเป็นเวทีต่อสู้กันทุกนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากยิเลสสมุ ท, ทยัยมีราคะตัณหาเป็นต้นผลิดขึ้นมาสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหั่นกันกับสิ่งเหล่านี้หลายครั้งต่อหลายหนทนไม่ได้ต้องขาดกระเดินไปเพราะอำนาจแห่งความเพียร นี่หละหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การประกอบความเพียนอย่าถือเวลานั้นอย่ากำหนดเวลานี้อย่ากำหนดเอยริยาบุตรนั้นเอยริยาบุตรนี้สิ่งที่ทำลายจิตใจของเราไม่มีการสถานที่เวลาเวลาไม่มีเอิริยาบุแต่ทำลายอยู่เสมอเยียบย่ำอยู่เสมออคควรอยู่เสมอภายในใจสแสดงออกมาทางขัน เป็นความคิดความปรุงเป็นความสำคัญมั่นหมายและแสดงออกมาเพราะสิ่งภายนอกเข้าไปสัมผัสและแสดงออกมาโดยความผลักดันของกิเลสโดยลำพังตัวเองและยึดอารมณ์อดีตที่เคยสัมผัสสัมผั์กับสิ่งภายนอกมาแล้วเข้ามายุ่งหย่กดขววนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตามธรรมาชาติของสมุ ท, ทยัยไม่เป็นอย่างอื่นนี่การที่เราจะพิจารณา รักรงกองจิตให้รับความสงบ ต, ต้องระงับความคิดความปรุงซึ่งเป็นเรื่องของสมุนไทยให้เป็นความปรุงทางด้านธรรมะเช่นเราจะปรุงคำบริกรพุทธโทธธรรมโมสังโฆเป็นต้นบทใดก็าตามหรือธรรมบทใดก็าตามงานอันนี้เป็นเป็นงานของมัคคสัตต์ปรุงเหมือนกันแต่ปรุงเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสนิเลสนั้นปรุงเป็นเครื่องผูกมัด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 ทำจิตให้สงบต้องถือเป็นจริงเป็นจังทุกอิริยาบถย่าได้ถือว่าอยาบทนั้นอยาบทนี้เวลานั้นเวลานี้นไม่ทันการกับสิ่งที่ทําลายตนอยู่เสมอซึ่งไม่มีการไม่มีสถานที่มีแต่งานของเขาอยู่เช่นนั้นเราจึงจึงทําให้ทันการให้ทนันเหตุการณ์ที่แสดงอยู่ภายในจิตของเราด้วยความเพียรของเรา นี่คือความพยายามที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงเหนือกิเลสขึ้นไปโดยลํำดับหรือชําระจิตของตนที่มีความเศร้าหมองหรือมืดดํานั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลําดับด้วยอํานาจแห่งความเพียรนี่แหละท่านเรียกว่าหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ด้วยการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตะภาณาเป็นสิ่งที่เห็นแจ้งกระจาด และย่นเข้ามาอีกก็คือพวกปฏิบัติของเราซึ่งเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียวนี้เป็นสำคัญเราไม่ได้เป็นห่วงใยอะไรทั้งหมดจตุ ป, ปัจจัยทายทานทั้งสี่ประการกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบินทบาทอาหารการบริโภคเสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยกีฬาณเพศัต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 โผลขึ้นมาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความสงบเย็นใจนี่คือภาคหนึ่งแห่งการปฏิบัติจิตภาคที่สองเวลาจิตมีความสงบร่มเย็นพอควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พิจารณาเอายกตัวตัวการซึ่งกิเลสมันจับจองอย่างแนบสนิทติดจมเหมือนกับ ตีตะปูติดกับไม้ไว้อย่างแน่นหนามันคงได้จากขันตั้งหามีรูปประขันเป็นต้นกิเลสมันบอกว่ารูปร่างทั้งขานร่างกายอันนี้นั้นมีความสดสวยง ด, ดงามน่ารักใคร่ชอบใจน่าเพลิดน่าเพลินน่ากำหนัดยินดีนี่คือคนอุบายหรือวิชาของกิเลสที่ครอบหัวใจเราให้มองไม่เห็นความจริงได้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 ทำให้ใกิเลสมันลากลงไปให้เป็นเช่นนั้นเพราะตัวกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจึงเสกสรรออกมาด้วยความจอมปลอมของตนเสมอันไปปัญญาพิจารณาอย่างลงไปให้เห็นตามความจริงมันเป็นด้วยความเป็นอสุภะอสุพังหมดทั้งร่างของเหล่านี้ภายนอกก็มีแต่มูลสดมูลแห้งที่เมื่อที่ใครเต็มไปหมดภายในร่างกายของเราเบื้องบนเบนืบ้องล่างไม่นิยมเต็มไปหมดด้วย มูลทั้งหลายโดยแก่ขี้มือขี้ใครขี้หูขี้ตาขี้ฟันเต็มไปหมดพี่นาให้เห็นเอย่านี้ทีนี้แยกเข้าไปสู่ภายในมันมีความสวยของงามที่ตรงไหนมองดูตรงไหนมีแต่กองอสุภะอสุพังธาตชีวิตลมหายใจไม่คลองร่างอยู่นี้แล้วดูกันได้เมื่อไหร่มันยิ่งกว่าป่าช่าที่ยังอยู่นอกบ้านดูนอกเมือง นั่นไปซะอีกเพราะปาชานี้อยู่กับเราติดกับตัวของเราเมื่อได้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงนี่โดยทำแล้วทำไมจะต้องมาติดทำไมจะต้องมากำหนัดยินดีในสิ่งที่หลอกลวงด้วยผิวหนังเพียงบางๆเท่านั้นส่วนภายในตัวทั้งหมดเต็มไปด้วยของปฏิปูณโศโคร้ กองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองตับไตใส่ภูมิอาหารใหม่อาหารเก่าจึงล้วนเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มอยู่ในสกุลกายนี้ทั้งหมดนี่คือธรรมเป็นเครื่องแจ้ความจำปลอมของกิเลสที่เสกสรรพันยอมาให้เราหลงจนมืดมิดปิดถาวรไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้สุขรู้ทุกไม่รู้สูงรู้ต่าเพราะอานาจถึงกิเลสมันบีบบังคับลงไป ไอเห็นแจมแจ้งตําหนักความกินนี้แล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาหาความกําหนังยินดีไม่ได้ทั้งตัวของเราทั้งตัวของเขาตัวของไข่ก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายมันเป็นกองอสุภะอสุพังกองป่าช้าพืดิบด้วยกันทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งกระดูกทั้งภายในภายนอกตับไตไส้ผุ่มอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นของสวยงามที่ตรงไหนมันเต็มไปด้วยป่าช้า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 ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะความงุกเขาบอกปัญญามืดบอดเนื่องมาจากอํานาจของกิเลสครอบงําได้อย่างไรมันต้องถอนตัวออกมานะนี่ชื่อว่าทําแก้กิเลสแก้กันอย่างนี้ทำนี่คือความจริงพิจารณาด้วยความจริงไม่ใช่ความเส็จสันต์ปัญญาแต่กิเลสมันเสรศสรรต์ปัญญอจึงเรียกว่าปลอมมันไม่จริงเมื่อเราพิจารณาตามหลักความจริงก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงขั้นอรูปะก็เห็นอยู่แล้ว มันสวยงามที่ตรงไหนมันก็อสุภะตรงๆ ต, ตามหลักความจริงนี่ขั้นแต่จะพิจารณาเป็นอนิจจังก็ตรงไหนที่มันอยู่โยงคงถาวรคงเส้นคงวาได้ตลอดไปมีแต่กองอนิจจังแปรสภาพอยู่ตลอดเบื้องบนเบื้องล่างข้างในข้างนอกหมดทั้งร่างกายและจิตใจที่แสดงออกอาจจะพิจารณาประทังเวทนาสัญญาสังขารวิน ญ, ญ, ญาณ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 วิญญาณความรับทราบทางอวัยวะภายนอกเข้ามาสัมผัสสัมพัสเช่นรูปเสียงกลิ่นโนเป็นต้นเข้ามาสัมผัสสัมพัสตาหูจมูกเป็นต้นก็เกิดความรู้ความคิดต่างๆขึ้นมาสิ่งทั้งๆที่สิ่งนั้นพอสัมผัสแล้วก็ดับไปดับไปแต่อารมณ์ของใจนี้ิตุลขึ้นมาเรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเรื่องขึ้นเรื่อยๆเรื่องใดมีแต่เรื่องกิเลสหลอกลวงเราพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับครับ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 บรรนาผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียนด้วยความถึงใจเมื่อถึงใจเข้าไปโดยลำดับลาดับทำไมจะไม่ถึงธรรมเข้าโดยลำดับผลสุดท้ายก็แทงทะลุไปได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายใ น, ในใ จ, จิตใจนี้เลยเพราะกิเลสถูกทำลายอยู่ทุกเว ล, เวลาด้วยอนนานาจแห่งความเปลี่ยนไม่ว่าียาบทใดสถานที่ใดการใดเวลาใดมีแต่ความเพียรห้ามหันกันอยู่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 ที่เคยจอมปลอมมาเป็นเวลานานนี่แหละจะกลายขึ้นมาภายในจิตของตัวเองโดยไม่ต้องขาดต้องฝันขอให้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอเรื่องจะเป็นอย่างนี้อันการคาดมักผลนิพพาน่าอยู่ที่นั่นทนี่นี่นั้นคือความงมงายไม่มองดูสัจธรรมแต่จะต้องการมักผลนิพพานความเพียรอ่อนแอที่สุดจนจะล้มจะเหลว แต่ยังต้องการมากุณิยานิพานนี่ก็คือวาดมโนภาพแบบรุมๆแรงๆหาความจัต์ความจริงหาจุดที่หมายไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะหาหลักเกณฑ์ให้ได้ให้มั่นคงให้เป็นที่เนื้อใจจึงต้องค้นคุยเขี่ยลงในวงสัจจธรรมทั้งสี่คือทุกสมมผัสไถ่นรโรษมากนี่มากแปลว่าทางดําเนินดึกเครื่องมือปราบปรามยิ่งได้แก่ อ, อะไรได้แกจ่ศีลสมาธิปัญญา ศีลเราก็รักษาแล้วโดยสมบูรณ์ด้วยเจตนาบริสุะิ์ของนักสมาธิไม่มีทําให้มีขึ้นเราทําให้มีขึ้นได้ทำไมความพุ่งชาติมันเกิดได้ขณะได้ที่จิตหาความสงบไม่ได้ขณะนั้นเรียกว่ากิเลสมันรุนแรงทั้งทั้งที่ประกอบความเพียรให้จิตสงบจิตก็สงบไม่ได้ก็แสดงว่าอำนาจของกิเลสมันมากกว่าธรรมเราก็เพิ่มกําลังเข้าไปจนกระทั่งจิตสงบได้นั่นแสดงว่ากิเลสตอนนี้ ยอมแพ้แล้วแล้วจิตเราได้สงบลงไปได้อย่างสะดวกสบายเวลาแพ้มันเรามันก็มีถ้ามีการต่อสู้ต้องมีการแพ้การชนะกันจะได้นอกจากความหมอบราบหรือย่างเดียวก็เรียกว่าแพ้อย่างหลุดดุยหาทางต่อสู้ไม่มีไม่มีประตูที่จะสู้กิเลสเขาเเป็นคนหมดหลังเป็นคนหมดสาระให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดไป เราไม่ต้องการเป็นคนแพ้แต่ต้องการเป็นผู้มีชัยชนะอาชาณ์ในมีความอดกล้าหารชาชัยอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรด้วยการต่อสู้ของศาสรกยบุตรพุทธิชนโอรสของพระพุทธเจ้าผู้จอมศาสดาจอมอาชาณ์ในต้องเอาให้เข้มข้นเอาให้เข้มแข็งไม่เข้มแข็งสู้กิเลสไม่ได้กิเลสทุกตัวเข้มแข็งทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดเจ้าอ่อนแอ เมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรนั่งเราอ่อนแอจะสู้กิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันนี่แหละเป็นพลิกแพงเปลี่ยนแปลงด้วยไหวพลิบปัญญาต่อสู้กับกิเลสต้องคิดอย่างนี้นะักปฏิบัติไม่คิดอย่างนี้ไม่ทันกันเอาให้จริงให้จริปัญญาถึงค่าวพิจารณาเอาให้จริงให้จริงพิจารณาสอบแทรกลงไปทุกแง่ทุกมุมให้จดจ่อต่อเนื่องด้วยสติมีความมุ่งหวงังอยากจะรู้จริงเห็นจริง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 กลมมายาของกิเลสจะทัาต่อทูกกับกําลังของกิเลสได้อย่างไรเราต้องเอาอย่างนี้นักปฏิบัติอย่าถอยหลังเอาให้จริงให้จังสติปัญญามีได้ด้วยกันถ้านํามาใช้ทําไมจะไม่ได้หนักก็ตามเบาก็ตามเราก็ทราบ แ, แล้วว่านี่งานของเราหน้าที่ของเราหนักก็ต้องแบกต้องหามเบาก็ต้องแบกต้องหามต้องทําทางอยู่ตรงนี้ครูขะก็ไปถะดวกก็ไป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 ในตำหนับตำลาเรายังไม่เห็นมีอนไยสรุปสลายนอกจากสรบตรงหมอนเท่านั้นสรบด้วยการต่อสู้กิเลสเรายังไม่มีเอาให้เห็นที่ว่างั้นเราสบรบปกิเลสให้ตายนะอา้าเราไม่ตายกิเลสก็ตายมีกันเท่านี้ไม่มีที่อื่นเวลานี้เราได้เข้าสู่สงครามแล้วถอยออกมาด้วยความแพ้ได้ประโยชน์อะไรมีความสงาม่าราศีมีเกียรติที่ตรงไหนการแพ้กิเลสไม่ใช่ของดีสําหรับพระนักปฏิบัติ ถ้ากลัมาฐานเรานอกจากเอาให้ช น, นะนั่นมันทําไมจะไม่ช น, นะพระพุทธเจ้าประทานเครื่องมือให้อย่างทันสมัยอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรถ้าไม่ใช่ทำที่ทันสมัยเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบตามเสด็จทุกประเภกอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่ขั้นพุทธการจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยมีการล่อลอไม่มีการเสริกลอไม่มีการอ่อนล่าอะไรลงไปเลย เป็นมัชชิ ม, มาอยู่ตลอดจึงท่านจริงให้นามามัชชิ ม, มามัชชิวะขึ้นเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการจะนำมาปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีทัศกิเลสตัวใดจะเหนือมัชชิ ม, มาปฏิปทานนี้ไปได้เวลากิเลสมันบุนแรงมัชชิ ม, มาเครื่องมือนี้ก็เอาให้บุนแรงเอาให้ทันกันกิเลสมักออกมาไม้นี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรไปไม่นั้นแก้กันอย่างนั้นแก้ไม่หยุดแก้ไม่ถอ ย, ก, ถอยก็สู้เราไม่ได้หงายตึงลงไปนั่น พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายมีได้พูดต่อสู้ให้กิเลสหงายตื่นหายตื่นเท่านั้นเทาศกิเลสแลกไปหมดนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดนะเมื่อได้ชัยชนะแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพานกิเลสเรียบวุฒลงจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องถามหาพระนิพพานเวลานี้และไม่ต้องหาถามหาบรมมาสุขไม่ต้องหาถามหาความอิจระเสดีของใจ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 จะเข้าสู่ความสงบด้วยสมถะคือความสงบใจก็ให้ทําหน้าที่นั้นอยาสนใจกับปัญญาในขณะนั้นให้จิงให้จางแข็ ง, งทะลุลงจุดเดียวเท่านั้นอย่าไปว่าไปเวกิดโน้นคิด น, น, ด น, น, ดนี้ให้วุ่นวายเหมือนกับน้ำไหลบ่าหลายด้านไหลาทางไม่มีกําลังพอในขณะที่จะทําให้จิตมีความสงบ ด, ด้วยสมถะอารมณ์ที่ทำหมดไปก็จางเอากําหนดลงไปใ ห, งให้จิงให้จังต่อทำบุตรนั้นสืบต่อเนื่องประเดิมดับไม่ต้องหวังผลอะไรนอกจากความเพียรในวงปัจจุบัน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 ประธานทานนี้เป็นตาตราวุธที่แหลมคมสุดทําไมแทงขันห้าเท่านี้ไม่ทะลุมันขึ้นอยู่กับอะไรถ้าไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะเราต้องผิดความสามารถขึ้นมาศัท า, าความเพียรหมุนให้ติ่วลงไปแล้วจะแทงทะลุเมื่อแทงขันห้านี้ทะลุแล้วมันจะไม่ไปไหนจะต้องแทงทะลุในจิตอีกจิตกิเลส จ, จะรวมตัวเข้าไปสู่จิตเมื่อเราตีตะล่ำเข้าไปในขันแต่กระจายด้วยความรู้แจ้งจริง ด้วยปัญญาของเราแล้วพิเลศไม่มีที่หลบซ่อนมันก็ต้องวิ่งเข้าสู่ใจเมื่อวิ่งเข้าสู่ใจแล้วสติปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปฟาดฟันธะแหละกันลงที่ใจแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าแทงทะลุททะลด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียงสุดท้ายก็ปัญญาอันละเอียดแหลมคมแทงทะลุดิเรศประเภทที่ละเอียดแหลมคมมากให้แตกกระจายออกไปจากใจนั่นไม่ต้องถามหาทีศ ว่าบริสุทธิ์เหลืออย่างเดียวเท่านั้นยิ่เล็ดตายไปหรือหมดไปจากใจที่อย่างเดียวนั้นปัญหาคําว่าตายเกิดก็หมดไปนะั้มรู้แจ้งเห็นชัดอยู่กับใจคําว่านิพานก็ไม่ต้องถามถามหาอะไรอยากกันไปหาอะไรอีกความอยากคือความหิหวโหยความไม่เพียงพอกอารรบกวนให้เกิดทุกข์อยากในทางดีมันก็เป็นทุกข์อยากในทางชั่วก็เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อขวนเมื่อความอยากมันสิ้นสุดตรงไป ทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันแล้วหมดความอยากเหลือแต่ความเพียงพอนานเกินกว่าพอตัวเหมือนกับเรารับทานหิวโหยเราก็ต้องรับทานเมื่อรับทานอิ่มเต็มที่แล้วความหิวก็หายไปนี่นี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ถ้ากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความเพียรเอาให้ได้ให้เห็น ของจริงมีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนให้เบิกออกเรื่องทุกข์กับสมุกไทยอันเป็นขวากเป็นหนามฝังจมอยู่ภายใน จ, จิตใจนั้นทอดออกด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกแตกกระจายออาหมดบรรดาข้าสึกที่มีอยู่ภายใน จ, จิตใจมากน้อยนะเราจะเห็นความประเสริฐเลิ่อจะมีอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์นี้เท่านั้นในโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี้ เอาให้เห็นจริงเห็นจังตงามพระพุทธเจ้าสอนจึงเรียกว่าเป็นผู้ชนะโดยธรมรมหลุดท้นโดยธรมรมดูแจง้งเห็นจริงตามาเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเอาตรงนี้เอาให้จริงให้จังพอพูดไปเหนื่อยก็เหน่อยก็แล้วเอาละเพียมแคนี้ก็หยุดก่อน